ติดตามดาวโหลดธรรมะอีกมากมายได้ฟรีที่ j, net, j o โฉดอทเ j o z h o. n e t หรือพิมพ์ภาษาไทยว่าโจโฉเพื่อค้นหาได้เลยนะครับดาวโหลดฟรีกับเสียงเทศนาธรรมจากหลากหลายครูบาอาจารย์เสียงอ่านหนังสือเสียงสดมนเพลงธรรมะและพิเศษเสียงอ่านหนังสือสไตล์โจโฉนะครับเสียงอ่านหนังสือธรรมะที่คัดสรนแล้วว่าฟังเข้าใจง่ายเหมาะกับคนทุกวัยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีแจกฟรีจัดส่งให้ฟรีทุกประเทศทั่วโลกนะครับสามารถลงชื่อขอรับได้ฟรีทางเว็บไซต์ jocho.net เท่านั้นตัวอย่างซีดีเสียงอ่านของโจโฉที่แจกฟรีไปแล้วหลายหมื่นแผ่นนะครับ mm. เช่นชุดที่หนึ่งรวมเรื่องโลกหลังความตายจากหนังสือของอาจารย์พรรัตนสุวรรณเรื่องที่หลายคนสนใจแต่ยากนักที่จะหาใครอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย แต่ยังแฝงไปด้วยหลักธรรมที่ถูกต้องไม่งงงายจนเป็นรากฐานที่ดีที่จะทําให้เข้าใจว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปซึ่งเป็นรากฐานของธรรมะทั้งปวงเกิดมายัางไงตายแล้วไปไหนกรรมสะสมข้ามภพชาติได้อย่างไรนรกอยู่ที่ไหนประภูมิและยม บ, บาลคืออะไรข่าตัวตายจะเป็นผีทรมานแค่ไหนทําบุญอย่างไรส่งผลได้จริงวิธีติดต่อกับวิญญาณ จะทำอย่างไรเมื่อคนรู้จักเสียชีวิตและอีกมากมายนะครับในแผ่นนี้จะมีเพลงธรรมะและเรื่องสั้นให้ง่ายคิดนิทานสำหรับคนทุกวัยซึ่งให้กําลังใจทำให้รักพ่อรักแม่มากขึ้นแถมไปด้วยนะครับชุดที่2จะเป็นบทความสำหรับคนรุ่นใหม่โดยตรงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นงานเขียนของคุณดังตรินในแผ่นนี้จะเป็นเรื่องรู้จักรักการจัดการปัญหาความรักตามวิถีพุทธที่ได้ผลจริง แล้วก็การเรียนรู้เรื่องกรรมจากข่าวและภาพยนตร์จากข่าวหน้ากลุ่มและง่ายคิดจากหนังและแถมท้ายด้วยเรื่องสร้างนิยายอิงธมาจากนิตยสารธรรมะกล่ตัวนะครับส่วนชุดที่3ก็จะเป็นคู่มือนักภาวนายุคใหม่เรียนรู้การจเจริญสติแบบง่ายๆที่เหมาะสมกับอาชีพต่างๆกับรู้เฉพาะตนและมหาสติปัฏฐานสูตรฉบับปรับปรุงใหม่หรือเสียด้คนตายไม่ได้อ่านเล่มสอง งานเขียนที่คุณดังตรินถือว่าดีที่สุดในงานเขียนของท่านและก็แถมท้ายด้วยวิธีการปฏิบัติธรรมโดยหลวงพ่อปราโมชปาโมโชนะครับส่วนชุดที่4ี่ก็จะเป็นเสียงอ่านจากหนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่มหนึ่งและสองรวมเรื่องเล่าจากคณะสิทธิ์ที่จะทําให้คุณได้ทราบซึ้งกิจริยวัดอันงดงามของหลวงตาพระมหาบัวที่คุณอาจไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนว่าท่านงามพร้อมเกินกว่าที่เราเข้าใจแค่ไหน เหล่าพระอริยะพระเกจิอาจารย์หลายท่านยังต้องชื่นชมไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มั่นซึ่งพยากรไว้ตั้งแต่ปี2482นะครับว่าต่อไปพระมหาบัวผู้นี้จะทำประโยชน์ใหญ่ให้กับประเทศชาติและพระศาสนาแล้วก็ยังมีคำชื่นชมและสนรเสริญเป็นที่ชื่นชมของพระอีกหลายรูปนะครับเช่นสมเด็จพระสังฆราชหลวงปู่แวนหลวงพ่อสังวานซึ่งเป็นพระอาจารย์หลวงพ่อสนองกตะุญโยวัดสังกทานนะครับหลวงพ่อพุธ หลวงพ่อปราโมทหลวงปูเ่เจี้ยหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญเพงและก็อีกลหลายหท่านซึ่งคําพูดจากพระที่น่าเคารพหลายๆท่านนี้ก็คงจะทําให้ลหลายๆคนได้สตินะครับว่าหลวงตาพระมหาบัวท่านดีและประเสริฐกว่าที่เราคิดแค่ไหนหนังสือเล่มนี้จะมีละหลายๆเรื่องรวมกันไปนะครับหลากเรื่องราวทั้งเรื่องลึกลับเหนือสัมผัสความสมถะเรียบง่ายความเป็นกันเองไม่ถือตัวเข้าหาง่ายการรักษาพระวินัยเคร่งครัด และพระคุณที่ท่านเมตตาต่อทุกชีวิตที่ท่านเจอรวมถึงโครงการช่วยชาติซึ่งส่งผลดีมหาศาลให้ไทยรอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจมีทุนสำรองพอที่จะไม่ต้องขายสมบัติของชาติเพื่อประทางชีวิตเหมือนประเทศอื่นซึ่งสมเด็จพระ ญ, ญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็ได้กล่าวถึงหลวงตาในกรณีนี้ว่าเมตตาของหลวงตามหาบัวที่ได้ออกมาทําโครงการพ้าป่าช่วยชาตินั้นเปรียบเสมือนกับผืนแผ่นฟ้าที่ข่มคลุมแผ่นดินไทยไว้ทั้งหมดเลยทีเดียว ติดตามเรื่องราวที่จะทําให้คุณได้ประทับใจกับพระมหาเมตตาขององค์หลวงตาซึ่งจะทําให้คุณแปลกใจและซาบซึ้งได้กว่าที่คุณเคยรู้สึกยังมีเสียงอ่านอีกหลายเรื่องที่ผมจัดทําไว้นะครับก็ติดตามผลงานทั้งหมดของผมได้ที่เว็บไซต์โจโจดเนเช่นเดียวกันนะครับนอกจากให้ดาวน์โหลดฟรีแจกซีดีฟรีแล้วก็ยังรับเป็นวิทยาก ร, รมัยธรรมสําหรับเยาวชนด้วยนะครับร้องเพลงคุณธรรมในกิจกรรมต่างๆแล้วก็มีซีดีธรรมะไปแจกฟรีด้วย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ถ้าอยากให้ก็แล้วแต่ศรัทธานะครับและพิเศษก็จะมีรับผลิตซีดิธรรมะในราคาต้นทุนโดยปราศจากกําไรดูรายละเอียดและติดต่อได้ที่โจโฉดอเน็ตเลยนะครับสัพพะทนังธรรมะทานางชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเกิดมาชาตินึงคุณเคยคิดทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมและพระศาสนาบ้างหรือยังการทํางานของผมทั้งหมดนะครับได้รับการสนับสนุนจากญาติธรรมหลายท่าน ที่เห็นความสําคัญในงานที่ผมทําก็ต้องกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาทุกท่านมาณที่นี้ก็ยังหวังเรื่อยมาว่าจะมีคนเข้าใจและสนับสนุนต่อไปเรื่อยๆนะครับเราผมก็จะทําต่อไปตราบเท่าที่จะมีคนสนับสนุนหรือสามารถหาทุนได้เองเท่านั้นพ่อแม่ผมเป็นคริสผมสละชีวิตมาเผยแร่ศาสนาของพุทธผมทําจากสองมือเปล่ามาจนทุกวันนี้ได้ชีวิตผมไม่ได้ต้องการอะไรแล้วนะฮะและผมก็ไม่ได้หวังอะไรเพื่อตัวเองแล้ว แต่อยากแค่ใช้ลมหายใจของชีวิตที่เหลือเพื่อประโยชน์ของสังคมและพระพุทธศาสนาเท่านั้นขอพระคุณสำหรับทุกท่านที่แม้ไม่เคยคิดจะทำอะไรเพื่อคนอื่นเลยแต่ก็ไม่คิดแง่ลบกับคนที่เขาเสียสละชีวิตเพื่อส่วนรวมนะครับจเจรวญในธรรมครับ